ต่อไปจงพากานตั้งใจฟังโดยสัจจะเขารถเถิดการประงับเวนพระพุทธภาสิทอโกชิมังอวะทิมังอชิณิมังอาหาสิเมยเยจจตังอุปนัยหันติเวรังเตสังนสัสมาเตอโกชิมังอวะทิมัง อาชีนิมังอาหาสิเมเยจตังโนปไยหันติเวรังเตสูปสัมมติความว่าบุคคลใดผูกเวนว่าผู้นี้ได้ด่าเราได้ตีเราได้ชนะเราได้รักของเราเวนของผู้นั้นย่อมไม่ระงับลงได้ส่วนบุคคลผู้ใดไม่ได้ผูกเวนไวเช่นนั้น เวรของผู้นั้นย่อมระงับลงได้อธิบายความคำว่าผูกเวรในความหมายทางศาสนาหมายถึงการผูกใจเจ็บหรือพยาบาทนั่นเองบุคคลผู้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกยิ่งนานเท่าใดก็ยิ่งถูกมรสุมแห่งชีวิตมากเท่านั้น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 ท่านมีเวรในอดีตด้วยการประกอบยาทําให้หญิงคนหนึ่งตาบอดมาในชาติสุดท้ายท่านจะมีภัยคือการตาบอดในขณะทําความเพียรอาจมีคนคัดค้านว่าท่านตาบอดเพราะทําความเพียรโดยไม่นอนต่างหากหาใช่เพราะกรรมเก่าแต่ประการใดไม่ถามว่าก็อะไรเล่าชักนําหรือดนบันดาลให้ท่านเห็นดีเห็นงามในการประพฤติเช่นนั้น ไม่ใช่แรงบรันรดาลแห่งกรรมเก่าดอกหรือแรงกรรมมีอำนาจเหนือสติปัญญาสมดังที่พระศาสดาตรัสว่านัตถิกรร ม, มะสมังพลังไม่มีก ร, รมใดเสมอด้วยกำลังแห่งกรรมถ้าสติปัญญามีอำนาจเหนือแรงกรรมแล้วจะมีนักปราดหรือบัณฑิตใดเล่าจะต้องตกอักหรือผิดพลาดในชีวิต ดังนั้นบัณฑิตจึงไม่ควรก่อเวรไม่ควรผูกเวรเพื่อจะได้ระงับเวรทั้งในปัจจุบันและอนาคตเรื่องประกอบพระติสัตว์พระติดสัตว์เกี่ยวข้องเป็นพระญาตของพระพุทธเจ้าคือเป็นพระโอรสแห่งพระปิตุชาของพระศาสดาจึงนับเนื่องเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งแห่งสากยาวงศ์ รติสสะบวดเมื่อแก่แล้วปรากฏว่าเป็นคนมีลาบสการะมากผู้หนึ่งชอบหมจีวรสีสวยรียดเรียบและนั่งวางภูมิอยู่ที่โรงฉันซึ่งมีเสนาสนะสง์ร้อมรอบหมายความว่าโรงฉันนั้นอยู่กลางบันหนึ่งภิกษุอคันตุกะหลายรูปมาเฝ้าพระศาสดาผ่านมาเห็นรติสสะนั่งภูมิฐานอยู่ เข้าใจว่าเป็นพระเถระจึงเข้าไปทำความเคารพถามโดยเอื้อเฟื้อในเรื่องการปนนิบัติเส้นท่านจะได้นวดเท้าไหมเป็นต้นพระติสระนั่งเฉยอยู่ภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนนั้นถามขึ้นว่าท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วยังไม่ได้พรรษาเลยท่านพระติสระตอบข้าพเจ้าบวชเมื่อแก่แล้วพระรูปนั้นกล่าวว่าขัวตานี้ฝึกได้ยาก ไม่รู้จักประมาณตนเห็นพระเถระผู้ใหญ่มาทำนั่งเฉยมีได้กระทำสิ่งที่ควรเช่นสามีทิกรรมบ่งเล็บการแสดงความเคารพอันควรแก่ฐานะเป็นต้นเป็นผู้ไม่มีความละอายเลยพระติสะโดนเข้าแบบนี้ก็เกิดขัดติยะมานะขึ้นอันหนึง่งยังถือตนด้วยว่าเป็นพระญาติของพระาศาสดาจึงถามภิกษุเหล่านั้นว่า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 ความน้อยใจเสียใจที่ถูกพระพวกนั้นตอกหน้าเอาทำให้พระติดสะร้องไห้เมื่อพระาศาสดาตรัสถามจิงถูดเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระาศาสดาตรัสตํหนิพระติดสะนานาประการที่ไม่ได้กระทำจิตทันควรแก่อาคันตุกัดเช่นไม่ได้รุกขึ้นต้อนรับไม่ได้ถามถึงการรับบริการไม่ได้ถามถึงธรรมเนียมความต้องการน้าดื่ม ไม่นำอาสนะมาให้ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแลแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้พระติสระขอโทษพระอคันตุกะเหล่านั้นเสียแต่พระติสระไม่ยอมทำอ้างว่าพระเหล่านั้นด่าท่านก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าติสระโทษของเธอมีอยู่จงขอโทษพระเหล่านี้เสียถึงกระนั้นพระติสระก็หายอมไม่ พระทั้งหลายจึงทูลว่าพระติดสะหัวดื้ว่ายากสอนยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระติดสระจะเป็นผู้ว่ายากสอนยากแต่ในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็เคยเป็นผู้ว่ายากสอนยากมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องในอดีตพระศาสดา จ, จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดี ต, ตการมีดาบทรูปหนึ่งชื่อเทวละ อยู่ในเขตหิมาวันตะประเทศแปดเดือนแล้วเข้ามาสู่เมืองพระราสีต้องการพักอยู่สักสีเดือนเพื่อได้ริ้มรสเปรี้ยวและเค็มบ้างมาขอพักอาศัยอยู่ณโรงทำหม้อของช่างหม้อคนหนึ่งในเย็นวันเดียวกันนั้นมีดาบดอีกรูปหนึ่งชื่อนาระทะมาจากหิมวันตะประเทศเหมือนกันและมาขอพักที่โรงทำหม้อของช่างหม้อคนเดียวกัน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 เทวะละยินยอมบอกว่าท่านเลือกนอนเอาได้ตามปรารถนา mm. เมื่อถึงเวลานอนนาระทะได้กำหนดไว้แล้วว่า mm. เทวะละนอนตรงนั้นตรงนั้ น, น, นเพื่อตนออกไปธุระเวลากลางคืนจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันแต่พอเวลานอนจริงๆเทวะละกลับไปนอนขวางประตูเสียตอนดึกนาระทะออกไปจึงหยยบเอาชดาเข้าใคร เทวราถามผมเองนารทะ h a ทำมเหยียบชะดาเราผมไม่ได้แกล้งครับท่านอาจารย์เมื่อตอนหัวค่ำท่านนอนตรงโน้นท่านมานอนขวางประตูเมื่อไรผมไม่เห็นขอโทษ้วยครับว่าแล้วนารทะก็ออกไปส่วนเทวลาคิดว่าขากลับเข้ามานาระัะอาจเหยียบชะดาเราอีกจึงนอนกับศรีรษะไปอีกทางหนึ่งพอนารทะ a กลับเข้ามาคราวนี้เหยียบเอาก้านคอ เทวระโกรธมากแม้นารทะพยายามขอโทษเทไร่ก็ไม่ยอมกล่าวคำสาบว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ศรีรษะของนารทะแตกเป็นเจ็ดเสียรฝ่ายนารทะก็กล่าวบ้างว่าใครมีความผิดขอให้ศรีรษะของผู้นั้นแตกเป็นเจ็ดเสีย่ยรก็นารทะนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากละลึกชาติและเหตุการณ์ได้ถึง80ดศกับ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 พระราชาทรงสำรวจพระจริยาวัตทั้งปวงของพระองค์ก็ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องอะไรอะไรทรงฉเฉลียวพระไทยถึงการวิวาทของพวกนักพทว่าอาจมีในนครของพระองค์จึงตัดถามประชาชนทรงทราบว่า<ม>เมื่อวานนี้มีนักพทประเภทดาบท2สองท่านมาพักที่บ้านช่างหม้อใกล้เมืองพระราชาทรงแน่พระไทยว่าการที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นครันี้ คงเนื่องมาจากการทะเลาะของดาบ ท, ทั้งสองเป็นแน่นอนจึงเสด็จไปพร้อมด้วยพระราชบริพารและประชาชนเป็นอันมากได้ทรงทราบเรื่องทั้งปวงจากนารัฐดาบทรัสถามว่าทําอย่างไรเทวละจึงจะพ้นอันตรายนารัฐดาบทถวายพระพรว่าต้องให้เทวละขอโทษท่านเมื่อท่านคลายฤทธิ์พระอาทิตย์ขึ้นมาเทวละก็จะปลอดภัย พระราชาทรงขอร้องให้เทวระดาบขอโทษแต่เทวระไม่ยอมพระราชาจึงรับสั่งให้จับเทวระดาบทแล้วให้หมอบลงแทบเท้าของนารทะนารทะทูลว่าการขอโทษดังนี้เทวระไม่ได้ทําด้วยความเต็มใจหาผลโทษไม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงนารทะจึงออกอุบายให้นําเทวระลงไปแช่ในสระน้ํา ให้เอาดินเหนียวพอกสีสากไว้พอท่านคลายฤทธิ์ให้เทวระดำไปปุดขึ้นที่อื่นเสียเทวระดาบทได้ทำดังนั้นนารทะคลายฤทธิ์พระอาทิตย์ขึ้นมาเทวระดำน้ำลงไปปุดในที่อีกแห่งหนึ่งส่วนดินเหนียวได้แตกเป็นเจ็ดเสี่ยงพระศาสดาตรัสประชุมชาดูว่าพระราชาในการนั้นคือพระอานน์ เทวระะดาบทเป็นพระติดสะ์หัวดือ้อส่วนนารถดาบทคือพระองค์เองแหละแล้วได้ตัดกับพระติดสะว่าดูก่อนติดสัตเมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าผู้โน้นฆ่าเราประหารเราชนะเราลักสิ่งของของเราเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระนับลงได้ส่วนผู้ใดไม่คิดดังนั้นเวรของเขาย่อมระนับลง การระงับเวรด้วยการไม่จองเวรพระพุทธภาสิทธนหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทะกุฏาจะนังอเวเรนะจะสัมมันติเอสะธรรมโมสนันตโนคาแปลในการไหนเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่เป็นธรรมเก่า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 แต่เมื่อใดใจของเราไม่มีเวรกับใครมีแต่เมตตากราณีเมื่อนั้นมองไปทางทิศใดก็เจอแต่มิตรเพราะฉะนั้นพระเจ้าโกศเมื่อโอวาทพระราชโอรสทรงพระนามว่าทีขาวุกุมารจึงตรัสว่าทีขาวุเจ้าอย่าเห็นแก่การยาวอย่าเห็นแก่การสั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร น, นี่เป็นธรรมเก่า เพราะฉะนั้นผู้ฉลาดเพื่อความสบายใจของตนเองจึงไม่ควรผูกเวนไว้กับใครๆจงจำแต่ความดีที่ผู้อื่นำทำารรแก่ตนแต่อย่าจำความร้ายที่เขาทำให้เพราะมันไม่มีประโยชน์แก่จิตใจคำว่าอย่าเห็นแก่การยาวนั่นหมายความว่าอย่าผูกเวีนเอาไว้เพราะเวียนยิ่งผูกก็ยิ่งยาวคำว่าอย่าเห็นแก่การสั้นนั้นหมายความว่าจะรีบรวนแตกจากมิตร มีอะไรก็กค่อยๆผ่อนปลนกันไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเข้าใจผิดก็ได้อย่าด่วนลงโทษใครง่ายเกินไปและอย่ารีบแตกจากใครขอให้พิจารณาเสียร้อยครั้งพันครั้งเรื่องประกอบยักษินีชื่อกาลีที่เมืองสาวัตถีมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเมื่อบิดาสิ้นชีพแล้วก็ทำงานด้วยตนเองทั้งในบ้านและนอกบ้าน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 แต่มารดาก็ยังพูดอยู่บ่อยๆหญิงสะใภ้ได้ยินบ่อยๆจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมฝืนมารดาไปได้ไม่นานอีกสักหน่อยก็คงยอมให้นำสตรี อ, อื่นมาหากเธอมีลูกตัวเราก็จะลดฐานะลงมาเป็นหญิงรับใช้อย่ากระนั้นเลยเราควรจัดการหาหญิงนั้นเสียเองเพื่อจะได้อยู่ใต้อนานาจของเรา นางคิดอัง น, นี้แล้วจึงไปนำหญิงอันคุ้นเคยกับเธอจากตระกูลหนึ่งมาทีแรกก็ดีแต่พอนานเข้าจิตลิสยาบ้างความกลัวว่าตนจะตกต่ำหากภรรยาน้อยมีลูกบ้างนางจึงคิดทาลายคันของภรรยาน้อยนางได้สั่งไว้ว่าเมื่อใดมีคันขอให้บอกนางแต่เนิน่นเนภรรยาน้อยพาซื่อคิดว่าเขาหวังดีกับตัวพอตั้งคันก็บอกนางเบียหลวง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 พระหานภรรยาหลวงเสียถึงแก่ความตายนางไปเกิดเป็นแม่ไก่พอแม่ไก่ตกไข่แมวก็ไปกินแซะถึงสามครั้งแม่ไก่ผูพยาบาทขอให้ได้เกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอทําร้ายนางแมวได้แม่ไก่ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองส่วนนางแมวไปเกิดเป็นแม่เนื้อพอแม่เนื้อพ่อลูกแม่เสือเหลืองก็มากินแซะทุกครั้งแม่เนื้อผูพยาบาท ตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นนางยักษินีแม่เสือไปเกิดเป็นหญิงชาบ้านธรรมดาเมื่อหญิงนั้นคลอดลูกนางยักษินีก็ปลอมแปลงตัวเป็นหญิงสหายของเธอมากินลูกเสียทุกครั้งพอครั้งที่สมหญิงนั้นหนีไปคลอดลูกที่อื่นและนางยักษินีก็ติดเข้าเวรส่งน้นําให้เท้าเวสวุวนเสียหลายเดือนพอออกเวรก็รีบมายัางบ้านของหญิงนั้นทราบว่า เธอไปคลอดลูกที่บ้านเดิมคือบ้านพ่อแม่ของนางยักษินีอันกำลังแหงเวนได้บุตรสาหะแล้วรีบวิ่งไปยังบ้านนั้นเวลานั้นหญิงคู่เวนคลอดลูกแล้วกำลังกลับมาพร้อมด้วยสามีมาถึงสะแห่งหนึ่งหน้าวัดเชตวันสามีลงอาบน้ำเมสะนางยืนอุ้มลูกให้ดื่มนมคอยอยู่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 ละล่ำละลักทูลว่าขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของเด็กคนนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้านางยักษ์วิ่งไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดพอถึงประตูวัดเชตวันสุมมนเทพผู้สิงอยู่ที่สูมประตูไม่ยอมให้เข้าพระา ศ, าศาสดาทรงทราบเหตุการณ์ทั้งปวงโดยตลอดรับสั่งให้พระอาน o ์ไปนำนางยักษ์เข้ามาเมื่อยิงนั้นเห็นนางยักษ์เข้ามาก็ตกใจกลัว ร้องขอให้พระศาสดาช่วยพระศาสดาตรัส บ, บอกว่าอย่ากลัวเลยณทีน่นี้นางยักษ์จะทําอันตรายไม่ได้ดังนี้ตรัสกับนางยักษ์ว่าดูก่อนยักษิดีและกุลธิดาเพราะเหตุไรเจ้าทั้งสองจึงจองเวรกันเช่นนี้ถ้าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเช่นเราเวรของเจ้าทั้งสองก็จะดำรงอยู่ชั่วกับเหมือนเวรของงูกับพังพรหมีกับไม้ตะคราะ และของกากับนกเขาเวนย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวนแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนนี่เป็นธรรมเก่าพระศาสดาทรงย่งพระธรรมเทศนาให้พิศดาโดยอนเนกปริยายในการจบเทศนานางยักษณีได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นโสดาบันเป็นผู้มีศีลห้าสมบูรณ์พระศาสดาสรับสั่งให้หญิงนั้นสมลูกให้ยักษณี กุลธิดากราบทูลว่าเธอกลัวพระศ า, าสดาสัตว์ว่าอย่า ก, กลัวเลยอันตรายจากยักษิศีไม่มีแล้วนางถึงส่งลูกให้นางยักรับเด็กมากอดจูบแล้วส่งคืนให้มารดาแล้วร้องให้พระศ า, าสดาตัดถามว่าร้องให้ทําไมนางทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อก่อนนี้ข้าพระพุทธเจ้าหากินโดยไม่เลือกทาง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 คุณรัธิดาได้ทาตามคาแนะนาของยักษิศีได้ข้าวดีทุกปีคนชาวบ้านทั้งหลายรู้ข่าวเข้าก็ส่วนกันมาถามบ้างยักษินีก็บอกให้คนทั้งหลายได้นำข้าวนำน้ำและผลไม้มาให้ยักษิศีเป็นการตอบแทนทั้งสองฝ่ายต่างมีประการะซึ่งกันและกันด้วยประการะชะนี เวนย่อมไม่ระนับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระนับด้วยการไม่จองเวรดังพรรณนามาชนี้